พิจารณาความแก่มันแก่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เราลงปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่เพราะอาศัยน้ํามันเพียงหยดเดียวซึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าก็อาศัยความผสมของของพ่อส่วนผสมของพ่อของแม่เราจึงเกิดเึ็นตนเป็นตัวขึ้นมา <c oughs> มีลูกมีด่าง มีศรีรษะหนึ่งมีแขนสองขาสองมีอวัยวะครบต้นบริบูรณ์แล้วก็คลอดออกมาเป็นเด็กแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้ระยะที่มันเป็นมาอย่างไรไงไ ง, ไงนึกมาพิจารณาพิจารณาพิจารณาพอมาถึงปัจจุบันแล้วก็พิจารณาย้อนกลับไปโน่นไปถึงจุดกาเนิดแล้วก็พิจารณาจากจุดกําเนิดมาหาปัจจุบัน แล้วก็พิจารณาปัจจุบันไปถึงวันตายมันจะตายเมื่อไหร่ก็ช่างมันเออแต่ว่ามันก็ต้องตายแน่ๆแล้ว <c oughs> แล้วตายแล้วมันเน่าเปื่อยอ่านเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปเป็นเดนเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟไม่มีสสารบุคคลตัวตนเราเขาแล้วก็พิจารณาย้อนจากนั้นกลับมาหาปัจจุบันจากปัจจุบันไปหาดูตอนอนาคตตอนที่เราจะตายนู่นแหละ พิจารณาอยูง่งี่ทุกวันทุกวันทุกวันผมแล่นแบบเนี้ยบางทีผมนั่งพิจารณาอยู่ตั้งแต่ตีสามจนตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งถึงตีสามบางทีมันเมื่อยเมื่อยจนจะทนไม่ไหวเออนอนดีกว่าวันนี้ไม่สําเร็จพอนอนไปมันก็ทอดอะไรตายยากก็กําหนดลมหายใจโลลมหายใจโลไปโลมาแล้วมันค่สว่างสว่างสว่างขึ้น มันมารวมอยู่ที่ตรงกลางกายเนี่ยแล้วมันก็วิ่งตามลมหายใจออกมาแล้วก็ขึ้นไปนู่นไปลอยอยู่สักครั้งหนึ่งก็ย้อนลงมาของเขา่าเข้ามาหาของเขา่าแล้วก็ขึ้นไปอีกสามสองสามทีเหมือนเหมือน ก, นกันกับเราพิจารณาย้อนไปย้อนมาเนี่ยเรื่องอนุโลมปฏิโลมนะอะ่นั่นแหละทีนี้พอเสร็จแล้วพอครั้งสุดท้ายเนี่ยมันปุ๊บปีไข่ก็มันตัดกระแส ทีแรกมันขึ้นไปเป็นสายโยงบนได้แต่ว่ามันสว่างแล้วก็เป็นจุดโฟมๆอยู่ตรงบนเนี่ยแล้วก็ย้อนมาย้อนไปอยู่พอตอนสุดท่านม็ตัดสายโยงนี่มันขาดหมร่างกายตนตัวหายไปหมดยังเหลือแต่จิตวิญญาดวงเดียวลอยเด่นอยู่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันท่างว่างไปหมดเลยอีกสักพักหนึ่งแผ่นดินมันรากดขึ้นก็เห็นตัวเองนอนตายอยู่ แต่ในขณะที่มองเห็นนั่นมันไม่ว่าตัวเองหรอกตัวเองเนี่ยมันนึกเอาต่อเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันนอนตายอยู่มันก็ขึ้นเอิดเ น, น่าเปือ่อยโพะพังน้ําเหลืองไหลเนื้อหนังพั ง, งลงไปเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็หลุดออกจากกันแล้วก็หักแหลกละเอียดไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือหายวับไปในแผ่นดินอีกสักหน่อยยุบยิบยุบยิบยุบยิบขึ้นมาตรงนั้นแ่ะ แล้วก็เป็นป้อนกระดูกเป็นแห่งกระดูกแล้วก็มาประสานกันเป็นโครงล่างเวลามันมาประสานกันนี่แมน่น่าดูน่าดูกระโหลกสีสาวยิงมาวางกระดูกคอกระดูกสันหลังยิงมาต่อกันกระดูกซี่โครงกระดูกข้ามากระดูกแขนกระดูกขากระดูกข้ามาเข้าประจําหน้าที่ของใครของเราจนปลากฏเป็นล่างโครงกระดูก พอใส่แป้เป็นโครงล่างโครงกระดูกได้ทีนี้มันก็ค่อยเนื้อมันค่อยงอกตรงกระดูกตรงข้อต่องอกลามไปมาบรรจบกันแล้วก็เต็มบริบูร์แล้วก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกดูกเป็นล่างขึ้นมาอย่างเก่าอืม mm hmm. แล้วก็สลายตัวไปอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างงั้นพอหลังจากนั้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันมีคำถาม น, นี่หรือคือการตายใถ่แนละ้วแล้วทีนี้ก็ เจตมันก็อธิบายตายแล้วมันต้องขึ้นอืนเน่าเปือยโปะพังสลายตัวน้าเนืองไหลเป็นของปฏิกูลน่าเกลียโซคราหมือมันสลายไปแล้วมันก็เป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟอา้าวไหนละ่ะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนที<ม>นี้นพอตื่นขึ้นมานี่พอไอตอนที่วิญ ญ, ญาณมันกลับเข้ามาอีกนี่มันใล้ๆกับว่ามนกระทบ แ, แผวๆตรงหน้า อ, อกแล้วก็สู้ส่า วิ่งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจนกระทั่งมันจดโซ่แล้วก็มันนึพิจารณาด้วยความตั้งใจอีกทีเมื่อเรานั่งหรือเรานอนอยู่เรานอนหันศรีรษะไปทางไหนนอนอยู่ในท่าไหนพอแน่ใจแล้วก็ตายจริงหรือเปล่าเอามือยกขึ้นมาคลำดู <c oughs> โอ้ยังอยู่ <c oughs> ลืมตาขึ้นมาสองโมงเช้าพอดีเลยตั้งแต่ตีสาม พอหลังจากนั้นมาใกล้ๆก็ว่าไม่กินยาเลยหายมาจากานกระทั่งต่านนี้ไม่เคยกําเริบอีกสักสี่โลกกันเนี่ยเพระโรคของผมเพรา่าเป็นโรคนะปอดอผมเป็นหนักกว่านัา้นโอ้ยผมเนี่ยนั่งนั่งอยู่เงี้ยเลือดหนองมันออกมาเป็นกระโถนกระโถนเนียครับกุฏิที่ผมอยู่นี่ผอไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ผมหรอก อเด็กน้อยมันต้มน้ําเอาไว้ตรงเนี่ยตรงไอ้ฐานบันไดเนี่ยผานชนะไอ้ที่เขาเอาของไปไประเคนก็ไปนั่งรับประเคนอยู่บันไดแล้วก็ถือไปนั่งฉันอยูพอฉันเสร็จแล้วก็ผานชนะต่างๆก็เอาโยนลงในหม้อ น, น้ําร้อน <c oughs> เด็กมันก็มาเอาไปเทกระทงกระทนนี่ไม่ให้ใครแตะต้องเลยที่หลักที่นอน กบอกจีบอล น, นี่กับพัชยยามซักเอาเองให้จีบอลแบบชนิดบางๆมันซักง่ายบางทีนั่งซักจีบอลซักไปพิจารณาไปภาวนาไปซักแต่สระเท้าจนเกถึงกเกือบจะเที่ยงซึ่งเสร็จตอนนี้สมัยนั้นยางเขาไม่ดีไวสมัยนั้นสเตปสเตปนี่มันออกมาใหม่ๆนะสเตปตอนแรกนี่มันขั้นทดลองเขา ถ้าคนจะหายก็หายเร็วคนไม่หายชั่วยใหต้ตายเร็วขึ้นไว้สนุกครับทีนี้พอรู้เสกตัวขึ้นมาเนี่ยพอเลื่อนตาขึ้นมาเนี่ยแหมมันอยากจะกระโดดลงจากเตียงเราล้องลรำทาเพลงเนี่ยมันดีอกดีใจแะ่เโอ้ดีเนาะทำมากเป็นอาการที่โกรธมันไม่เลือกการเลือกเวลาไม่ว่าคนเจ็บคนป่วยคนไข้ ผมได้ความผมมาตั้งระบัินั้นว่าสมาธิคือกิริยาของใจเมื่อเรามีสติกำหนดพิจารณาใจพิจารณากายอยู่ตลอดเลละเราจะนั<ม>่งจะยืนจะนอนอะไรมันก็ภาวนากันอนู่นั<ม>่นไม่เป็นไรหรอกสมัยนี้ยาเขาดียิ่งเราเป็นพระเป็นสงฆ์นี่มันมีเวลา ที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาได้มาก <Okay. S 1> ผมเขาบอกตรงๆว่ายอมสละชีวิตเพื่อบูชาการปฏิบัติเสร็จพร้อมนี่ความเข้าใจหรือความรู้สึกในการภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่เหมือนใครที่เขามาเทศเท้แท้ท้ทกันนี่ถ้าผมพูดไปแล้วมันขัดเขา เพราะว่าสมาธิขั้นสมาถะามันไม่เกิดความรู้อะไรถ้าใครมาพูดขึ้นนะผ ม, อมบอกว่าเจ้าภาวนายังไม่ถึงขั้นมสมาธิที่เกิดข้ อ, อมูลทอยงนี่แหลแต่มาภาวนาพธิ์โ ท, โทก็จิตได้แต่สมถะไม่ถึงมิปัสนาภาวนาไม่เป็นอีก ไอ้คำภาวนานี่ยกหนอพองหนอสัมมาอรหังมันเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตผมเนี่นั่งสมาธิอยู่ถ้าใจมันนึกถึงเจ้าสาวนี่เอาชื่อมันมาบริกรรมภาวนาเด็มันนึกอะไรขึ้นมาเอาอะแ น, น่แหละสาวสาวที่เรานึกชอบมันนี่นึกนึกนึกไปหน่อยมันก็ติดแล้วมันไม่ไปไหนแหละนะโพทโพโทเนี่ยมันเป็นของใหม่สําหรับเราความรักความชอบนี่มันเป็นของเก่าแก่ดั้งเดิม มันไปเฟื่อนเอาความรักของเก่าขึ้นมามันนึกบริกรรมภาวนาอยู่นั่นมันก็ติดปั๊บมันไม่เป็นไนรฮะลากฐานกุง จ, จิตลากฐานกะุงจิตพอมันเตะติติติตะเตะไปแล้วมันก็เกิดสงบเป็นสมาธิดีไม่ดีนะ่ะภาพคนที่เรารักน่ยมันจะมายืนจังก้าให้เราดูพอมาดูแล้วมัน โดไปโดไปโดไปโดไปเนื้อหนังนก็พังลงไปโครงกระโดดมันก็ซุดลงไปแหลกละเอียดหายสาบสูญไปแล้วในที่สุดมันก็ได้ความรู้ขึ้นมาว่าอ่เาเกศจะเอาความรักไปไว้ไหนแล้วมันสลายไปหมดแล้วไม่มีที่รองรับความรักของเกศแล้วเอาไปไว้ไหนมันก็หยุดเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านย้ำอยู่ในบทเรียกว่าปัจจุบัน อติตังนานวากาเมยนะนัปปสิกังเขนานกตังปจุ ป, ป น, นันจยโยธรรมังตถาตถาวิปัสส ต, ติเรื่องอดีตจะไปคำหนึ่งถึงอนาคตจะไปคำหนึ่งถึงให้ดูรู้เรื่องอยู่ในปัจจุบันอันนี้เราไปใฝ่้าเรื่องอานาคตเรื่องอดีตเรื่องอานาคตถ้าคนจัดการภาวนาได้ไมันจะไปยากอะไรรักษาศีลห้าให้มันบริสุทธิ์ มีสติกำหนดรู้ติดของตนเองอยู่ทุกขณะจิตลองดูสิถ้ามันไม่ได้สมาธิไม่ได็ไดดีเลยมาหักขาผมซะมันยไม่แน่เลยอันนี้ไปไขว่คว้าไปเนื้อโน้เ น, เ น, เ, นเนื้อนี่พอเห็นนิมิตอะไรขึ้นมาแล้วไปหลงนิมิตไปแต่ครุบเงาอยู่นู่นแต่ครุบเงาแล้วเมื่อไหร่มันจะไปได้สักทีอะไรมันเกิดขึ้นมันต้องดูต้นมันสิใจมันเป็นผู้รู้นี่ สิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งใจเมื่อสิ่งปรากฎการเกิดขึ้นจะเป็นความรู้ป่ตามเป็นนิมิตต่อตามต้องย้อนมาหาใจต้นมันอยู่ที่ตรงนี้พอ ง, งานพวกนิมิตอะไรต่างๆเห็นคนเทวดาผู้ผีปีศาจอะไรเนี่ยมโนภาพทั้งนั้นเนี่ยถ้าใครภาวนายังไม่เห็นตัวเองตายจะไม่หายในไม่หายสงสัยในในในใ น, ในเรื่องนิมิต ยังจะยึดว่าเป็นจริงเป็นจังอยู่นั่นเนี่ยนี่ยนักภาวนาทุกวันเนี่ยมันมาบ้าไปว้ากันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันถึงเขียงกันไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแต่นี่อะไรเกิดขึ้นปับ๊บจะเป็นความโลภต่อตามเป็นนิมิตต่อตามเจ็บมันย้อนก็มาหาจิตเนี่ยมาดูอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันถึงจะถูกต้องถ้ามันรู้เห็นแล้วมันไปเกาะ อ, อยู่กับสิ่งนั้น เอเดียวสิ่งนั่นก็หลอกไปหลอกไปหล่อไปไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์บางทีไปติดใจกับสัตว์นรกสัตว์นรกตัวสวยๆงามๆ ม, มันก็มีไปติดปั๊บไปติด c h นั่นไม่ยอมกลับมาตายก็ไปลงนรกนะ uh huh. จาเป็นจะต้องเอาให้ได้ uh huh. เพิ่นฐานที่จะให้เกิดคุณธรรมมันอยู่ที่นี่ uh huh. แล้วสิ่งที่จะมีพลัง ท่านทา น, ทานพวกวิญญาณต่างๆที่จะเข้ามาแทรกสิ่งเมื่อ็อยู่กันที่ตรงนี้คนที่ทำสมาธิให้จิตสงบนิ่งสวางได้นี่จิตถึงพุทโธแล้วเดินไปไหนนี่พูดีไปปีศาจมันวิ่งหัวสุกหัวซุน